คำว่าเต็มภูมิก็คือกำลังของธรรมมีเต็มที่แล้วก็สังหารสิ่นที่แทรกสิงอยู่ภายใน จ, ใจิตใจอันพาให้เกี่เกิดแจเเก็บตาอยู่ไม่ย่ถอยนั้นให้สิ้นลงไปซะจนไม่มีเหลือมนก็เรียกว่าสิ้นสุดนี่งานของธรรมจึงมีเวลาสิ้นสุดได้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 ทรงเรญอ ย, ยานเห็นว่าสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้แล้วก็จึงทราบไปทางเบญจบัคถทีทั้งห้านี่เป็นปฐมเมลเป็นของการตัดสู้แห่งพระพุทธเจ้าจึงในมามาแสดงธรรมโปรดเบญจวัคถีทั้งห้านี้ซึ่งพร้อมแล้วประเภทอุคติกันอยู่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 จนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่คือองค์ของลักเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องสังหารสมุทยัยคือกามตัญหาภวะฐานหาวิภวะตัญห า, า, ญหาเป็นสำคัญนะเมื่อทรงแสดงให้เบญจบุคีทั้งห้าดได้ทราบอย่างถึงใจแล้วพระอัญญาโขนอังญะก็ได้บรรลุธรรมนีว่าขั้นเริ่มแรกอริยธรรม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 ความชิ้นชีวิตเสียก่อนในเวลาที่กระทันหันปูนง่อ ย, อยพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดรายนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียการไปเล่าๆในพกชาติที่เป็นมงคลอย่า ง, างนี้นี้ตอนเช้าก็เสด็จออกบินทบาทโปรดสัตว์อีกเช่นเดียวกันท่านเพ่งเรียกว่าโปรดสัตว์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 เชื่อความราสายพระพุทธเจ้าเหมือนกับความเชื่อกิเลสตัวจอมปอมนี่แล้วจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากมายเลยแล้ววัตจักรวัตวนก็จะย่นเข้ามาดูลาดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกนั้นสอนเพื่อจะปลดเปื่องทุกเพื่อจะย่นวัตจักรวัตจิตให้เข้ามาสั้นที่สุดย่นเข้ามาย่นเข้าม า, า, มาจะเป็นล้านล้านพบล้านล้านชาติก็าตามเมื่อ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 อน ญ, ญาคนอนยาเป็นต้นท่านในเปลงอุทานขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่คือท่านสําเร็จพระโสดาหลังจากนั้นท่านก็สําเร็จเป็นอรหตัตตะบุคคลขึ้นมาออแล้วภาษาริบุตรพระโมคกขนาได้ยินได้ฟังธทำจากพระอัสสชิจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาก็เหมือนกันหลังจากนั้นโอพระโมคกขนาก็เจ็ดวันบรรลุอรหตัตตะบุคคลขึ้นมา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 ตาในศีลทำตามหลักที่ตามสวขาธรรมที่พระองค์ตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเย็นไปหมดตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เย็นคร <c oughs> อบครัวเจ้าเรือนไว้อกไว้ใจกันได้เ <c oughs> พราะใครก็รักษาเหมือนกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็มีแบบนี้ฉบับแห่งความถูกต้องดงามเป็นเครื่องกํากับรักษาให้เขาได้ยึดหลัก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 มันหน้าตำหนิก็ต้องตำหนิที่นี่เมื่อต่างคนต่างรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกก็สวยงามสงบร่มเย็นแม้จะละไม่ได้ก็ไม่เป็นไผ่เพราะโลกเพราะธรรมชาตินี้มีประจำโลกมามีทำเป็นเครื่องกากับรักษาเหมือนไฟที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเราใช้ไฟไฟเป็นของจำเป็นที่ละไม่ได้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 เป็นธรรมทั้งๆที่ต่างคนก็มีกิเลสตัวเภทยอยู่น่กิจใจก็ตามแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายน่ะถ้าเราไม่เอากิเลสตัวผ่านตัวโผลตัวเป็นประเภทของสัิสังขานเข้าไปทําลายเข้ามาออกหน้าร้านเพ่นเพ่นท่านทั่ทวบ้านทั่วเมืองเสียต่อนั้นมันจริงไม่น่าดูที่สุดนี่แล้วว่าไงศีลธรรมกุ้าเป็นยังไงถ้านํามาปฏิบัติทําไมจะไม่งามไม่มีใครที่จะงามเกินมนุษย์ของเรา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 หลอกลวงต้มตุนแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยนี่นี่ละทาเป็นความจำเป็นต่อโลกอย่างนี้เองนี่ลเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชนะพุทธศาสนาในเวลานี้ให้บำเพ็ญตัวยาคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดนอ ก, กจากความดีที่เรามุ่งหมายเข้ามาบวชนี้เท่านั้นเวลาบวชนี้เป็นสำคัญอา้าวออกจากนี้ไปแล้วกิจ ก, การงานนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย